ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการให้ทานเป็นหลักนะถือว่าทานบบารมีเป็นหลักส่วนบารมีอื่นๆก็เป็นบริคารเป็นบริวารแห่งการให้ทานไี่มาเน้นพิเศษคือศีลและบารมีคำว่าศีลศีลเ น, นี่ยแบ่งออกเป็นทบทวนบ้างนะศีลคืออะไร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 ข้อความในหัตถนาควรที่สองแห่งจริยาปิดกศีละวะนาจริยาข้อ11อหน้า234พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นกุลชอนช้างเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพาน์ในการละครั้งนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลละคุณของเรา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 นะแอบหนี้ไปเลยชวนแม่นี้ไปตอนกลางคืนเข้าไปอาศัยอยู่ในสะบัวแห่งหนึ่งนะแล้วก็อาศัยอยู่ในสะให้มารดาไปอยู่ที่ถ้ำนะอยู่ในถ้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆสะนั้นนะก็เป็นภูเขามีสะน้ำมีถ้ำก็ให้แม่ไปอยู่ในถ้ำตัวเองก็อยู่ในถ้าด้วยนะก็เลี้ยงหาอาหารก็ใช้ชีวิตในการเลี้ยงดูมารดาเนี่ยเป็นหลักอยู่ร่อาอยู่เรื่อยไป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 ที่ประจินเนี่ยนะขึ้นเขาใหญ่ในคนหนึ่งไปโผล่อดข้าวกันแทบตายอย่างเงี้ยน <c oughs> ก็พันการหลงป่านี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็บอกมันมีเครือเถาชนิดหนึ่งเขาบอกว่าทําให้หลงทิศอย่างนงี้ยถ้าไปโดนเถาวันชนิดนี้แล้วทาให้หลงทิศแต่ว่าจริงๆแล้วต้นไม้มันจะดูเหมือนกันไปหมดมองตรงไหนก็ดูเหมือนกันไปหมดคลับคลายครับคลาเชื่อพญาจิตตะราชก็เลยไปกันใหญ่เลยครั้นี้ก็เรื่องหลงนะ นี่ขนาดนายพรานนี่ก็หลงป่าพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของนายพรานป่านั้นจึงคิดว่าชายผู้นี้ไร้ที่พึ่งอะไรที่พึ่งก็คือคนอนาถาร้องให้เมื่อเราเป็นอยู่หรือว่าเมื่อเรามีอยู่การที่ชายผู้นี้จะถึงความพินาฏไปในที่นี้เป็นการไม่สมควรถ้าเรายังอยู่จะให้เขาพินาฏได้อย่างไรจึงไปหาพรานป่าเห็นนายพรานป่านี้ นนะเพราะความกลัวคือในพรานป่าเนี่ยนะพอเห็นพญาช้างนี่ก็หนี้ละกลัวก็เลยพญาช้างก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านไม่มีภยัยเพราะอาศัยเราดอกท่านอย่าหนีไปเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องคร่ำครวญอยู่เราเนี่ยนะนะมาร้องให้ทาไมในป่า ในพรานป่าก็ตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วล่ะนายพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าอย่ากลัวไปเลยพอคุณมาไงเราจะพาท่านไป เ, เราจะพาท่านเดินทางไปในที่อยู่ของมนุษย์แล้วก็ให้ในายพรานป่านั่งบนหลังของตนนําออกจากป่าแล้วก็กลับไปฝ่ายนายพรานป่าผู้ใจบาปเนี่ยนะเขาเรียกว่าพรานป่าลามกผู้ใจบาป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 พระองค์ก็ส่งควานช้างไปด้วยบริวารมีพระน้ำรัตสั่งไปว่าท่านจงนําคชสารที่ในพรานป่าบอกมาให้ได้ควานช้างนั้นก็ไปกับในพรานป่าเห็นพระโพธิสัตว์เข้าไปยังสะบัวหาอาหารคือในสระบัวเนี่ยนะโดยเฉพาะบัวเนี่ยเวลาถอนขึ้นมามันจะมีรากมีเง้าเง้าบัวนะหลายท่านคงเคยทานเง้าบัวแล้วมั้งเคยทานเง้าบัวที่เขาเอามาทําเป็นน้ําเชื่อมมั้นะ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 พรองก็ส่งส่งควานช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วเป็นอาจารย์ที่รู้จักกษณะของช้างควานช้างนั้นไปก็พบช้างกาลังถอนเง่าบัวอยู่ในสะบัวหลวงก็เป็นการถอนเพื่อเอาไปเลี้ยงมารดาควานช้างนั้นรู้คุณอนะันรู้คุณศีลของเราคือพิจารณารู้ว่าช้างนี่เป็นช้างที่มีคุณธรรมเป็นช้างที่มีศีลเมื่อพิจารณาดูลักษณะแล้วก็กล่าวว่า มันนี่แนะลูกแล้วก็จับที่งวงของเราบทว่าวิญญายเมศีลคุณังคือควานช้างรู้คุณเอ่อ ค, คุสีละคุณของเราว่าช้างผู้เจริญช้างนี้เป็นช้างอาชาในเป็นช้างที่ไม่งูเป็นช้างที่ไม่ดุแต่เป็นช้างที่มีปกติอยู่ด้วยการไม่คลุกคลีตอบอถามว่าควานช้างรู้ได้อย่างไร บทว่าลักขณังอุปทารยิคือความช้างพิจารณาดูลักษณะของเราโดยท่วนทีเพราะเป็นผู้มีศิละปะในการดูช้างซึ่งศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะเหตุนั้นความช้างจึงกล่าวว่ามา น, นี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงของเราพระโพธิสัตว์เห็นความช้างนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นน่ะตั้งอธิษฐานบารมีไว้เลยว่า ภัยของเรานี่เกิดขึ้นจากนายพรานป่าผู้นี้มองเห็นแล้วว่านายพรานเนี่ยมาด้วยเจ้าพรานคนนี้และพ่ามาภัยภัยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายได้เข้ามาหาเราก็เพราะอาศัยนายพรานป่าคนนี้แหละเรานี่มีกำลังสามารถจะกำจัดช้างแม้ตั้งพันเชือกได้เราโกรธขึ้นมาพอที่จะยังเหล่านักรบ พร้อมด้วยแคว้นให้พินาทลงไปได้แต่ถ้าหากว่าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดแต่ถ้าโกรธลงมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นช้างเนี่ยถ้าลองช้างโกรธขึ้นมาเนี่ยตายกันหมดแน่เพราะนั้นถ้าเราปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยศีลเราขาดแน่เพราะเมื่อไรถึงกระทำปาณาติบาตไปแล้วเนี่ยถือว่าเสียหายเปิดประตูอบายแล้วละ่ะเพราะนั้นถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้นอธิษฐานเลยว่าแม้ความช้างจะเอาหอกทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธให้เขาฆ่าให้เราตายเราก็ไม่โกรธว่างแล้วก็ยืนโน้มศีรษะนะเรียกว่าโน้มศีรษะลงแล้วก็ยืนนิ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในกาลนั้นกําลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กําลังของเราก็เสมอเหมือนกับ กำลังของช้างผันเชือกถ้าเราโกรธควานช้างผู้เข้ามาจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่าเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่เอาไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่คิดโกรธเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลลบารมีให้บริบูรณ์ถ้าเขาพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและด้วยหอกสั์ เราก็จะไม่โกรธเขาเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดเพราะว่าท่านมุ่งที่จะรักษาศีลเพราะศีลเป็นพุทธกทธกรกธรรมศีลเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าบทว่าพระเลยนะสมะสาที่สังคือกำลังของเราเท่ากับกำลังในร่างกายของช้างเหล่านั้น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 เราก็ได้รับการคุ้มกันด้วยการรักษาศีลด้วยการคุ้มครองของศีลอันตั้งอยู่ในตนดุดผูกพันเอาไว้ น, น, นะนะเหมือนกับมีโซ่คือศีล น, นี่ล่ามเอาไว้เราไม่ทําอย่างนั้นหรอกถ้าเราทําอย่างนั้นศีลกงเราก็จะขาดใช่ไหมเพราะตอนนี้อตอนตอนแรกเขาบอกว่าเป็นผู้สมาทานเพื่อจะรักษาศีลแต่พอได้รับเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเข้าก็มีศีลเป็นเครื่อง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 บทว่านาะโกรมิจิตเตอัญญะทัะทตังความว่าเราไม่ทำจิตโกรธเคืองคือเราไม่ทำวิธีการจับฟาดเป็นต้นแก่สัตว์หรือมนุษย์เหล่านั้นอันเป็นการทำลายศีล น, นั้นคือแม้จิตในการจับฟาดเป็นต้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยคิดว่าจิตน้อมไปเพื่อจะฆ่าดีมั้งเนีน่ยความคิดอันนี้ก็ไม่มี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 ของการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ว่าถ้าเขาทำลายเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทำลายเราใช่หัหยหรือเอาเราไปใส่ไว้ในที่เสาตะลุงเป็นต้นหรือจะใช้ขวานใช้หอกสั์เราก็จะไม่โกรธเขาเลยอันนี้เป็นความมั่นคงของศีลเป็นศีลที่ตั้งมั่นศีลขันดาพยามามะมะเรากลัวศีลของเราก็จะขาด ถ้าหากว่าเราไปทําความช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งศีลก็ขาดปกติแล้วคนในโลกเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะศีลขาดเพราะเหตุแห่งทรัพย์นะศีลบางคนเนี่ยขาดเพราะเหตุแห่งญาติศีลบางคนขาดเพราะ อ, าอวัยวะศีลบางคนขาดเพราะชีวิตศีลบางคนที่ขาดเพราะทรัพย์บางทีก็แล้วแต่จํานวนทรัพย์ะนะ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 แม้แต่ชีวิตก็ไม่ล่วงก็เพราะว่านะบางคนเนี่ยรักษาชีวิตมากกว่าศีลแต่พระโพธิสัตว์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านรักษาศีลท่านหวงแหนกุศลศีลของท่านยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์พอคิดอย่างนี้แล้วจึงยืนเฉยไม่ไหวติงความช้างอย่างลงสู่สะบัวเห็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วก็กล่าวว่ามะนี่แน่ลูก แล้วก็จับที่งวงเช่นกับพวงเงินไปถึงกรุงพาราณสีเดินทางอยู่เจ็วันก็ไกลพอสมควรควานช้างนั้นเมื่อถึงระหว่างทางก็ส่งข่าวสารไปถวายพระราชาให้ทรงทราบ พ, พระราชาก็สั่งให้ตบแต่งพระนครควานช้างนำพระโพธิสัตว์ซึ่งมีสายรัดทมด้วยกลิ่นหอมประดับประดาตบแต่งแล้วเข้าไปสู่โรงช้างวงด้วยมา่านอวิจิตกราบทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบ